คือสรุปว่าไอ้ทั้งนิมิตทั้งปวัตตนะถ้าพูดพิจารณาเห็นนิมิตก็คืออย่างถึงสภาพที่ไม่ได้มั่นคงของสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละแต่ปวัตะก็คือเห็นความเป็นไปผู้ที่มีอ่าพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาจะเห็นทั้งนิมิตและปะวตะอย่างกรณีผู้การนี่เขาเห็นนิมิตเสร็จต่อไปหาคือคืออนัตตาเลยนะก็คือมองเห็นทั้งนิมิตและปะวัตตานั่นเอง มันผู้ที่เห็นโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ากล่าวโดยอนุปัสสนานะสามสามประการบริบูรณ์นะอนิจจังทุกขังอนัตตาที่บริบูรณ์ย่อมนำซึ่งนิพิทาที่บริบูรณ์นิพิทาที่บริบูรณ์ย่อมยังวิราคะวิราค า, า, คาแปล ว, ว่าคลายกําหนัดบริบูรณ์ถ้าคลายกาหนัดก็ไม่อยากสร้างอีกใช่ไหมต้องการดับผู้ที่ต้องการดับได้มันต้องสละคืนเหมือนกันเถอะเห็นไหมต้องสละคืนถ้าสละคืนได้แท้จริงก็ด้วยอริยมรรต นี้ย้อนกลับมาอีกตามเดิมว่าผู้ที่พิจารณานะถนัดในความเป็นอ น, นิจจจิตเขาน้อมไปด้วยมากไปด้วยที่โมกพิจารณาทุกข์มากไปด้วยปัจสถานพิจารณานะตาา ม, มากไปด้วยเวทะคือความรู้ผู้ที่มากไปด้วยอธิโมกปกติสัตทินรียเขามีกําลังเห็นไหมผู้ที่มีสัตทินรีมีกําลังอริยมรรคของเขามีชื่อว่าอนิมิตตาวิโมกะนะผู้ที่พิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นทุกข มากด้วยปัสสัททิผู้ที่มากไปด้วยปัสสัททิสมาธินีมีกำลัง น, นะอารยมรรคของเขาเป็นอปปนิหิตาวิโมกผู้ที่พิจรารณาโดยความเป็นอนัตตามากเนี่ยนะจิตของเขาเนี่ยมากไปด้วยความรู้ปัญญีนีมีกาลังอารยมรรคของเขาเรียกว่าสุญญตาวิโมกนิพานก็มีชื่อตามนั้นเช่นว่าอ ok นิมิตตวิโมกนิพานก็มีชื่อว่าอนิมิตตนิพาน หรือว่าอปปนิหิตานิพานหรือสุญญานิพานก็มีชื่อตามตา ม, ตามอริยมรรคนั่นเองนั่นนะไมบางถ่ถึงบอกว่าวิรา้านี่มันเป็นมรรคเออคือศั์เดียวกันเนี่ยต้องดูต้องดูบริบท<ป>นั่นนะต้องดูสิ่งรอบข้างถ้าเป็นอย่างในอวิชชาสูตรตันหาสูตรเนี่ยนะ ผู้ที่เบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดตัวนั้นตัวนี้หมายถึงอาริยมัติแต่ถ้าเป็นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มอนุปัสสนานะนะเพราะกำลังพูดในแง่อนุปัสสนา จัทุกข์อนัตตาเนี่เราพิจารณาตัวเดียวแล้วถึงนิพพา น, นครับพิจารณาตัวเดียวถึงนิพพานไหมพิจารณาตัวเดียวยังไงทุกข์กพิจารณาทุกข์อนัตตากพิจารณาตอนัตตาจกพิจารณาแ ต, าตา่ิจังพิจารณาตัวเดียวไม่เอาอยัางอื่นเลยในวิสุทธิมรรคท่านกล่าวว่า การพิจารณาไม่ใช่พิจารณาแต่อย่างเดียวเนี่ยนะมีอย่างนี้ไหมในเริ่มต้นด้วยอนิจจ์เนี่ยนะแล้วก็ต่อด้วยตามสูตรก็คือทุกขัง อ, อนัตตาแต่ว่าบรรลุด้วยอนิจจง อันนี้วิถีสุดท้ายนะอย่างในมักควิถีเนี่ยจะขึ้นนะจะเป็นบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูมัคผลบริกรรมอุปจาระอนุโลมเนี่ยมีอนิจจงคือพิจารณาขันโดยความเป็นอนิจจอัง น, นี้ ส่วนพวกนี้จะที่เหลือก็มีนิพานเป็นอารมณ์อันนี้กลุ่มที่หนึ่งคือบรรลุเพราะอานิจจังแต่ว่าจะต้องผู้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตามันต้องรู้อยู่แล้วแต่ว่าเรียกว่าเริ่มต้นด้วยพิจารณาอานิจจังตอนท้ายบรรลุเพราะอานิจจัง น, นี้ชุดข้อที่หนึ่งข้อที่สองขึ้นต้นด้วยอนิจจัง เนี่ยนะบนรรลุด้วยทุกขังแต่ก็จะเข้ามาสู่อีกคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าพอบรรลุบรรลุด้วยทุกอันนะข้อที่สามก็ขึ้นแต่เดียวกันคือขึ้นด้วยอนิจจังพิจารณาทั้งสองอย่างบรรลุด้วยอนัตตาเนี่ยนะตรง ต, รงตรงวิถีสุดท้ายก่อนจะบรรลุ่ คือในมันมีวิถีเดียวเท่านั้นน่ะนะถ้าว่าโดยรวมๆอะ่ะที่อารมณ์เนี่ยต่างกันถ้ า, ชาณชวนะเดียวกันเนี่ยเช่นว่าในมัคคุเทศบริกรรมอุปจาระอนุโลมมีสังขารโดยความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาแล้วในขณะเดียวกันไปมีนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยมีวิถีเดียวที่เรียกว่ารู้ได้รู้สออารมณ์ในวิถีเดียวนะที่อื่นไม่มี ที่อื่นจะรู้อาวัชนะเดียวจะต้องรู้หรืรออ่งเดียวแต่ น, นี้รู้สองเรื่องสองอารมณ์นะผลทาย่างที่คุณมลมีถามก็ต้องเป็นอย่างนี้ตอบว่าไม่ได้แต่ว่าด้วยเหตุผลนี้นี่อย่างหนึ่งอีกชุดหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้ตอนเริ่มนะบางคนเนี่ยเริ่มด้วยการกำหนดรูป แต่ปริจารณารูปอย่างเดียวบรรลุไม่ได้ต้องพิจารณานามด้วย น, นะแล้วไปบรรลุตอนพิจารณาอันเนี้ยไอตอนเนี้ยอา น, นิจังเนะี้ยรูปหรือนามนะก็ว่าอีกครั้งคือรูปประคันด้วยนามประคันหรือบางพวกก็พิจารณาภายในเขาจะมีอีกชุดหนึ่งคือกลุ่มภายในภายในกับภายนอกขึ้นต้นด้วยการพิจารณาภายในแต่ก็พิจารณาภายนอกนะแต่บรรลุตอนภายใน หรือเริ่มต้นด้วยพิจารณาภายนอกแต่ก็พิจารณาภายในอ่ะนะแล้วไปบรรลุภายนอกอย่างเงนะี้ยนะก็จะมีตามเนี้ยมีอยู่10ประมาณ10บกว่าข้อสิข้อเนีย้ยนะคือถ้าถ้าจับจับไปแล้วนะก็คือถ้าเรียงไปก็คือ1ขึ้นต้นด้วยพิจารณารูปบรรลุที่รูป2พิจารณารูปบรรลุที่รูป3พิจารณาภายในบรรลุภายใน ข้อสี่ก็พิจารณาภายนอกบรรลุก็พิจารณาภายในบรรลุภายนอกห้าพิจารณาอ่าภายนอกบรรลุนอกหพิจารณานอกบรรลุในก้เจ็ดพิจารณาอนิจจงบรรลุอนิจจงก็แปดพิจารณาอนิจจงบรรลุทุกขัง ข้อพิจารณาอนิจจังบรรลุอนัตตาข้อบพิจารณาทุกบรรลุทุกขิ1อพิจารณาทุกบรรลุอนิจจัง 12, ก็พิจารณาทุกบรรลุอนัตตาข้อิพิจารณาอนัตตาบรรลุอนัตตา สิบสีก็พิจารณาตาบรลุอนิจจังข้อสิหก็พิจารณาตาบาลุทุกขังข้อสิมีข้อ16บหกเาเรียกว่าพิจารณาโดยรวมกันนะนะยังกินจิตสมุทยัยธรรมมังสะพันธ์ทางนิโรธธรมมังอ่ะเขาจะพิจารณาแบบรวมทันสรุปมี16ข้อเนีย่ยนะการการพิจารณานี่ยทนจะเริ่มต้นจากจุดไหนก่อนก็ได้ แต่ว่ายังไงก็ต้องรอบรู้อย่างอื่นทั้งหมดอีกนั่นแหละ ม, ห ม, มีครับมีแสดงว่าไม่ได้เขียนมีหมดอะครับใ ห, ให้มันเข้าระบบนี้เะแต่นี้เขียนให้ดูคร่าวๆ ว, ว่าโอ้โหมันเรื่องมากในในในโลกของการบรรลุอีกก็เยอะแยะไปหมดเลยรัตติวานิพันธสามในอภิธรรมวัฏจัานคเกิดนิพนันธ์ยอันนีจังนี้ ด้วยนัตตามันไม่พันตัวเดียวแต่มันเป็นสามอย่างก็เมื่อกี้เล่าให้ฟังครั้งหนึ่งแล้วนะแสดงว่าตามไม่ติดเอาใหม่ก็ได้อย่างสมมติว่าอนุโลมยานเนี่ยเป็นปัจจัยแกโ่โคตรภูโคตรภูนี่ก็แบ่งปัจจัยแก่มักนะ มัคมัคเสร็จแลแบ่งเป็นสา ม, มัคอย่างนี้เสร็จแล้วก็ทุกมัคก็เป็นปัจจัยแก่ผลทีนี้ถ้าผู้พิในบริกรรมอุปจาระอนุโลมเนี่ยนะถ้ามีอ น, นิจจังเป็นอารมณ์พิจารณาโดยอ น, นิจจังเนี่ยมัคอันนี้จะมีชื่อว่าอ น, นิมิตตวิโมกถ้าพิจารณาทุกขังเป็นอารมณ์มัคอันนี้มีชื่อว่า อปปนิหิตะวิโมกถ้าพิจารณาอนัตตาเป็นอารมณ์มั ก, กเรียกว่าสุญญาวิโมกทีนี้นิพานอันนี้ก็มีชื่อว่าอานิมิตาวิพานด้วย น, นะถ้าถ้ามักเป็นอ น, นิมิตาวิโมกนิพานก็จะมีชื่อว่าอานิมิตานิพานถ้าอปปนิหิตะวิโมกมักก็จะชื่อว่าอปปนิหิตานิพานถ้าเป็นสุญญาวิโมก นิพพานก็จะเชื่อว่าสุญญาตานิพพาน ก, ก็จะแบ่งตามเนี่ยพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ให้บรรลุมรรคะก็โดยโดยโด ย, โดยการสแสดงนะโดยโวหารไปเรียกตามแต่จริงก็คือธรรมชาติที่เป็นอสังขตะนะนะแปลว่าแบ่งโดยปริยายแบ่งตามมรรคไม่ใช่แบ่งตามเพราะตัวนิพพานมันแบ่งไม่ได้บแบ่งตามอริยมรรคที่ไปแทงตลอดทีนี้อริยมรรคแบ่งมาจากอะไรก็แบ่งมาจากปัญญาที่พิจารณา ไตรลักษณ์นั่นเอง <c oughs> คุณมนมีก็ถามเรื่อ ง, งยากๆตรงนันนะแวิากาจะถามมีนิพานสองแนิพานสามมีสองย่างนิพานสองก็มีนิพานสามก็มีจะเอาสองร้อยกว่าไหมมีอีกจะเอาแบบสองร้อยกว่า ที่อีกข้อหนึ่งรอยี่เกนะพระ อ, องค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายภาษายตนาหประการนี้ที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีย่อมนำสุขมากมาให้ น, นะหรือว่าย่อมนำสุขมาให้ น, นะก็ไก่ไม่จำเป็นต้องมีหรอกคำว่าสุขในที่นี้อัตกถาบอกว่าสุขที่เกิดจากฌานมัตผลที่ถ้าผู้ที่ส ฝึกฝนคุ้มครองรักษาสํารวมตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจดีนะก็นำมาซึ่งสุขในชาญมักผลนั่นเองดูก่อนพิสูนทั้งหลายภาษายตนาหประการนี้แหละที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสํารวมดีแล้วย่อมนำสุกมากมาให้ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตสาสดาครั้นตรักวยากรณภาษีนี้จบลงแล้วจึงได้ตรักคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าดูการพิสูจนทั้งหลายบุคคลไม่สํารวมภาษายตนา6ประการนี่แหละเว้นการสํารวมในอายตนาใดย่อมเข้าถึงทุกนะนะคือผู้ที่ไม่ไม่สามารถที่จะรักษาตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจก็เข้าถึงทุกันนะทุกก็คือทุกในนรกปเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานหรือว่ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ทุกแบบมนุษย์นี่แหละ บุคคลเหล่าใดได้สํารวมระวังอายตนะเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นมีศรัทธาเป็นเพื่อนย่อมเป็นผู้อันราคะไม่ชุ่มอยู่คนที่จะรักษาเนี่ยต้องมีศรัทธาใช่ไหมศรัทธาในที่นี้คือศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาในคําสอนเป็นต้นเนื่องจากมีศรัทธาอย่างนี้ะนะจึงไม่ปล่อยให้ราคะชุ่มในตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะอะไรเพราะว่าโดยปกติสัตว์ทั่วไปนะมีตาก็เพื่อที่จะ ดูให้เกิดราคามีหูก็เพื่อจะฟังให้เกิดราคาเป็นต้นนะผู้ที่มีศรัทธาอย่างมากจึงจะมีตาเป็นต้นเนี่ยบริโภคตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไม่ให้ราคาเกิดนี่นะก็เป็นกลุ่มผู้ที่มีศรัทธาบุคคลเห็นรูปที่ชอบใจและรูปที่ไม่ชอบใจแล้วพึงบรรเทาราคาในรูปที่ชอบใจและไม่พึงเคืองใจว่ารูปไม่น่ารักของเราคือเราเนี่ยเห็นรูปไม่น่ารักเข้าแล้ว ก็ทํำยังไงที่เห็นรูปที่น่ารักก็ไม่ต้องชอบใจเนี่ยนะคิดยังไงจึงจะไม่ชอบใจเห็นรูปที่น่าชังแล้วคิดยังไงไม่โกรธนั่นแหละคือข้อปฏิบัติในในพระธรรมวินัยนี้อันนะก็ตามสูตรของเราก็สติปัญญาใช่ไหมอันนะัเห็นพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกอันนะตรงนี้รัดเอามาที่ว่ากําจัดอภิชาและโทมนัสเนี่ยเมื่อตาเห็นมันก็นก็สแสดงแบบสรุปมาเลย ได้ยินเสียงที่น่ารักและเสียงที่ไม่น่ารักพึงสงบใจในเสียงที่น่ารักและพึงบรนเทาความขัดเคืองในเสียงที่ที่ไม่น่ารักเนี่ยนะได้ดมกลิ่นที่น่าชอบใจอันน่ายินดีและได้ดมกลิ่นที่สะอาดไม่น่ารักใครพึงบรรเทาความหงุดหงิดในกลิ่นที่ไม่น่าใครและไม่พึงพอใจในกลิ่นที่น่าใครก็คิดย <cuad> ังไงนะ ก็จะไม่กําหนับและไม่ขัดเคืองในกลิ่นได้ลิ้มรสที่อร่อยเล็กน้อยและลิ้มรสที่ไม่อร่อยในบางคราวไม่พึงลิ้มรสที่อร่อยด้วยความติดใจและไม่ควรยินร้ายในเมื่อลิ้มรสที่ไม่อร่อยทวารกายกบอกถูกสัมผัสที่เป็นสุขมากระทบเข้าแล้วและถูกภัสสะที่เป็นทุกขมากระทบเข้าแล้วไม่พึงหวั่นไหวในระหว่างในระหว่าง ควรวางเฉยในภัสษะทั้งที่เป็นสุขทั้งที่เป็นทุกข์ทั้งสองไม่ควรยินดีไม่ควรยินร้ายเพราะภัสษาอะไรอะไรท่านบอกว่าควรวางเฉยนะไม่ได้แปลว่าทำตัวเฉยๆฉยวางเฉยกับทำตัวเฉยๆฉยเนี่ยแตกต่างกันไอ่ทำตัวเฉยๆฉยก็แปลว่าแปลว่าอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรเนี่ยคือคือทำตัวเฉยเฉยใช่ไหมไม่ต้องไปสนใจอะไรแต่ถ้าวางเฉยหมายคมว่ารอบรู้ทั้งภรรษะที่น่าปรารถนา และภาษะที่ไม่น่าปรารถนาวางใจไม่ให้เกิดอภิชากับโทมนัต์นะนะแปลเป็นภาษาง่ายๆไทยๆว่าดํารงอยู่ด้วยอุเบกขาสัมโพชงอ่ะก็ในขณะเดียวกันนะโพชงหกข้อก่อนเนี้ยเท่ากับพูดหมดแล้วเนี่ยนะดำรงอยู่ด้วยอุเบกขาสัมโพชงเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าวางเฉยด้วยตตระมัชตตาเนี่ยวางเฉยแบบเขาเตรียมสลัดออกเต็มที่อย่างนั้นเลยไม่ใช่ว่าเฉยแบบ ใช้แบบนิ่มอ่ะนะนั่งตรงไหนก็ยุงกัดก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะร้อนก็ช่างเย็นก็ช่างไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นแบบีเกียใช่ไมไม่ใช่ว่าฟังธรรมะเรื่องเฉยฟังเข้าใจผิดก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรสักอย่างแล้วก็เฉื่อยชาเฉมแฉะไม่ใช่นราชนทั้งหลายที่สามปัญญามีความสาคัญในกิเลสเป็นเหตุให้เนิ่นชา้า ยินดีอยู่ด้วยกิเลสเป็นเหตุให้เนิ่นช้าอันนี้เป็นชื่อของตันหามาณนะทิฏเนี่ยนะเป็นสัตว์ที่มีสัญญาย่อมวนเวียนอยู่ในวะตะัตงั้นนะอยู่วงวนเวียนอยู่ตรงนั้นแปลว่าอยู่ในวะตะก็บุคคลบรรเทาใจที่ประกอบด้วยเบญจากามคุณทั้งปวงแล้วย่อมรักษาใจให้ประกอบด้วยเนฆัมมะอ่า น, นะสลัดเบญจากามคุณเนี่ยออกจากใจแต่ให้ใจประกอบไปด้วยเนฆัมมะ เนคขมมะก็เป็นชื่อของฌานสมถะวิปัสสนามัคคุปนั่นเองเนี่ยนะถาจิตยังไงให้เป็นไปกับไตรสิกขาหนนแหละันนั้เพราะตัวตัวเนคขมมะนี่เป็นชื่อของไตรสิกขาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าทําจิตยังไงให้เป็นไปกับไตรสิกขานั่นแหละใจที่บุคคลเจริญดีคือภาวนานะเจริญตัวนั้นแปลว่าทําจิตตภาวนานั่นเองภาวนาด้วยสมถะและวิปัสนาภาวนาอนน ใจที่บุคคลเจริญด้วยสมถวิปัสนาดีแล้วในอารมณหกอย่างนี้ในการใดในการนั้นจิตของบุคคล น, นั้นอันสุขสัมผัสกระทบเข้าแล้วย่อมไม่หวั่นไหวในที่ไหนไหนสุขสัมผัส ท, ท, ทั่วไปนี่หมายถึงอะไรเนี่ยนะสุขสัมผัสแท้จริงที่สูงสุดที่ไม่หวั่นไหวนะนีพระนิพพานนั่นแหละเป็นสุขสัมผัสที่ไม่หวั่นไหวนะนะ ก็ถ้าได้กระทบสัมผัสอันนั้นเมื่อไหร่ก็ไม่หวั่นไหวแล้วดูก่อนพิ่สูทั้งหลายเธอทั้งหลายปราปราคะและโทสะเสียแล้วย่อมเป็นผู้ถึงนิพพานซึ่งเป็นฝั่งข้างโนู้นแห่งชาติและมรณะนะเพราะอะไรอุปาทานขันท่านี่อยู่ในฝั่งชราและมรณะใช่ไหมท่านิพพานก็ฝั่งนู้นอ่ะมันไม่ใช่ฝั่งตายฝั่งเกิดฝั่งตายะนะมั้นพระนิพพานก็เป็นฝั่งที่ไม่เกิดไม่ตาย พอแสดงเป็นปุคลาที่ฐานอย่างนี้ก็นึกดินแดนณนแห่งหนึ่งที่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอะ่ะเมืองในฝันอ่ะนะเมืองประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะคุณพจ้ถ้าบอกว่าโอ้โหณฝังโน้นเนี่ยดีมากะนะณดินแดนแห่งนั้นประกอบไปด้วยขวดแก้วอ่ะนะแก้วก็มาผลิตก็เป็นขวดอ่ะนะประกอบไปด้วยแก้วบัง่งประกอบไปด้วยเสาทองคําบ้างเป็นต้นอ่ะนะก็คือเมืองในฝันอ่ะนะที่จินตนาการขึ้นมาอืม ไม่รู้แดนอะไรก็ไม่รู้แลหละจะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ฝั่งโน้นเนี่ยหมายถึงแบบนั้นคือฝั่งโน้นจากตานะจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายและจากใจอะ่ะเพราะปกติที่เราแดนฝั่งโน้นที่เราคิดนะพ้นไม่ที่จะเอาตาไปเสวยเอาเมืองในฝันของเราที่ว่านะยังไงก็จะอดเอาตาไปดูเอกไม่ได้อดเอาหูไปฟังไม่ได้นะโอ้ที่นั่นสวยมาก เสียงก็ดีดีกลิ่นนี่หอมเหมือนอะไรดีเหมือนสวนลำดวนที่เมืองสีสะเกดเหมือนกันเนี่ยก็เป็นนึกแบบมีกลิ่นหอมอย่างงั้นเข้าไปมีโอ้โหมีโภชนะเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะอากาศก็ดีดีมีแต่คนใจดีทั้งนั้นที่นั่นอ่ะนะก็เอาแล้วอนนี้คิดไปคิดมาวนไปหาขันห้าจนได้เนี่ยนะก็ไปอยู่กับขันห้าก็อะไรถ้ามีขันห้าที่ไหนที่นั่นเรียกว่าอะไรนะสูตรก่อนๆว่าไงพวกกันมาเนี่ย มีขันห้าที่ไหนก็มีมารที่นั่นไนอะ้เมืองในฝันของเราก็คือสร้างมารคือความตายขึ้นมาอีกเมืองหนึ่งขึ้นแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เนไหมเะฉั้นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องควรทํำยังไงครนี่คือต้องไม่ทิ้งหลักการเดิมเลยนะจะพูดเรื่องอะไรลึกซึ้งไปขนาดไหนก็ต้องไม่ลืมนะจากคุจากโคโซมูไทรจากคูนิโรจากคูนิโรทักค า, คามินีปฏิปทาเนี่ยอันนี้ต้องไม่ลืมหมอญุพินเมื่อวานยังมาว่านะไปถึงอเมริกายังคิดถึงอันนี้บ้างเลย นะครันโมธนะด้วยนะยังคิดถึงคํานี้ได้บ้างก็โอ้บุญแล้วนะจากขูจากขูสมุทัยจากขูนิโรธจากขูนิโรธถ้ า, าม่มีปฏิปทานะถ้ายังปรารถนาสีอยู่ก็คือยังปรารถนาตาใช่ไหมถ้ามีตาที่ไหนก็มีทุกณที่นั่นมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจที่ไหนก็มีทุกณที่นั่นแต่สัตว์ทั้งหลายผู้ผู้เพลิดเพลินในภพเนี่ยนะก็จะจะอะไรจะต้องการไปมีสิ่งเหล่านี้เพื่อสเสวยต่อไป เพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นเขาเรียกว่าสัตว์กลุ่มพวกเนิ่์นช้านะพวกนี้ล้าหลังมากนะพวกที่เพลิดเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจนกลุ่มล้าหลังมากแต่ก็มีพวกเลยทงอีกเหมือนกันนะพวกเลยทงก็บอกโอ้ยตายแล้วหมดกันไอ้พวกนี้เลยเถิดะนะเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วนะถ้าอยู่ช่ว ย, ยเฉยๆเนี่ยนะตายแล้วมันหมดเลยจริงไมหมเรามันเหมือนกับอะไรนะพรุ่งนี้โลกมันจะแตกแล้วเหมืนกันนะ เขาก็มีกลุ่มพนักงานบริษัทกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าปีสองพันโลกมันจะแตกประมางนั้นกลุ่มเนี่ยเที่ยวสารพัดเลยนะปีสองพันนโลกไม่แตกเดือดร้อนอะไรนีน่อยู่ยังไงอ่ะเขาเที่ยวไปหมดแล้วสะตงางค์ยังไงนะก็คือเข้าใจผิดนั่นเองนะพ่านกลุ่มที่ที่คิดว่าชาติหน้ามันมันหมดแล้วจบแล้วว่างั้นเถอะแล้วชาตินี้จะทําตัวยังไงนะสมมตินะถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ศึกษาคำํำสอนไม่ได้รู้เรื่องสมถวิปัสสนาอะไรเลยแล้วก็คิดว่าชาติหน้าศูนย์ จะมีอะไรนอกจากสแสวงหานิพพานในปัจจุบันนิพพานในปัจจุบันของเขาคือรูปเสียงเปลี่ยนรสและโพธพภะเนี่ยนะเพราะั้นผู้เป็นกลุ่มผู้ที่เพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโพภธภาภะเนี่ยนะมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าสิ่งเหล่านี้คือทิ ธ, ธรรมนิพพานเนี่ยนะก็มีสำนวนอีกสำนวนหนึ่งก็บอกว่าถ้าได้ดูสีแบบนี้ไม่เสียดายชาติเกิดแล้วใช่ไหมถ้าได้รับกระทบโพธาภารมอันนี้นะจะไม่เสียดายชาติเกิด นะก็ก็นี่คือกลุ่มที่ถือว่าทิฏฐธรรมนิพพานานะถ้าเราไปได้ไปเที่ยวนะเมืองหนึ่งนะโอ้จะไปได้ดูเมืองนั้นนะอ่ะโอ้ตาชาตินี้ไม่เสียดายแล้วแบบนั้นเถอะเขาเขาถือว่านั่นแหะคือสูงสุดแล้วนะแต่จริงๆนี่เป็นอย่างนั้นไม่ร่ะมันก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นปุถุชนทั้งหลายผู้ที่ไม่ได้สดับไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาก็จะสําคัญในสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นธรรมที่พ้นทุกข์สําคัญว่าพ้นทุก์เข้า เพลินก็เท่ากับบอกว่าเขาเพลิดเพลินในทุกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเพลินตามสูตรของเราก็คือผู้ใดเพลิดเพลินในทุกผู้นั้นก็ไม่พ้นจากจากทุกเนี่ยนะเพลินข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกก็คือรู้จักทุกขแล้วปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายในในทุกขเห็ยนยหมสรุปว่าทุกข์คืออะไรกันเลยตกลงเอาทุกคืออะไรดิคุณเฉลิมทุกคืออะไร อ๋อออสระสิทธิ์เลยอะ่ะสระสิทธิ์เลยนะทุ ก, กอตอื่นไม่ได้คุณบนมีไม่ได้ถามยังรพึ่งตอบไปตอบบ่อยมากไม่ถูกประเด็นสักเรื่องเลยอะ่ะอคนอื่นๆมัง่งแม่สิพันธ์ตืนน่นยังคุณโซเจียลทุกคืออะไร โอ้ขนาดนั้นเลยลเหลอจะให้เวลาม้องยืดเวลาให้ะนะแสดงวก็กวามก็ไม่สระสิทธิ์คนคุณอะไรดิคุณวิชัยทุกข์คืออะไ ร, ร, ะไ อ, รอ๋อเสวยอารมณ์ที่ลำบากจำไว้นิดหน่อยทุกข์คืออะไร ทุกคือว่างจากกุศลรหานิยามมาจากไหนกันงงมอวิบินเนี่ยทุกคืออะไรไไ อ, อ๋อทุกคือสิง่งที่ทนไม่ได้นักใบยักษนักใบยาก์บาลีทั้งนั้นเลือะคุณกลอยใจคุณกลอใจทุกคืออะไรกันแน่ตกลงนง อ, อ๋อยังไม่ตอบมันนะสะาตพืติก คุณนเรียทุกคืออะไรกันนี่ อ, อ, นอ๋อทุกคือเดือดร้อนก็ใช่อนะทุกแปลว่าเดือดร้อนคุณนภ า, าอ้โทุกเพราะมันน่ากลัวพยัเถนะเอาอัดเลยนะท่านเกตุดาทุกคืออะไรโอ้โหเข้าสูตรเลยนะตอบเข้าสูตรมากอนะ ก, ก็ตามสูตรนี้ที่เราฟังมาก็บอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเป็นตัวทุกข์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นคําว่าทุกข์ทั้งหลายก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ น, นะนะบรรทาผู้ที่ฝึกฝนสํารวมหรือเอาสิ่งเหล่านี้มาทําปริญญารอบรู้หมดก็จะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้นะตามสูตรตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอีกชื่อนหนึ่งว่าผัสส า, ายยตนะ น, นะถ้าอ่านพราไตรปดกเจอจะพบพยัญชนะ นี้บ่อยคือหนึ่งภาษายตนะภาษายตนะสมุทัยภาษายตนานิโรธภาษายตนานิโรธถ า, ามินมีปฏิปทาอันนี้ก็มีอีกในหนึ่งก็คือการพิจารณาเหตุเกิดความดับอัศธาอาทีนวะนิสรณะแห่งภาษายตนา6เพราะฉะนั้นผู้ที่ดับทุกข์ก็คือดับภาษายตนาหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจยเหล่านี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าโหถ้าปรารถนาความพ้นทุกข์ แต่ขอให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจ น, นะนะก็ยังไงก็ไม่พ้นทุกเพราะตัวทุกคืออะไรก็คือตานะคือหูคือจมูกคือลิ้นคือกายและคือใจนะเมื่อเมื่อไหร่ที่เดินทางนะของมันนึกรําคาญทุกทีว่าเออถ้าไม่มีขันห้ามจะมันก็เดินทางอะไรอย่างนี้นะไม่ต้องไปจัดรถจัดเรือไม่ต้องไปลําบากลำบนโอ้เหมือนวุ่นวายไปหมดเลยนะก็เพราะมีขันห้านี่แหละนะถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเ อ, อ้อไม่ต้องเดือร้อนอะไรสักอย่างเลยนะเนี่ย อันนะพาส ป, ปอร์ตวีซา่าก็ไม่ต้องนะหมดเวลาแล้วก็มีตาเนี่ยมันต้องซื้อบัตรดูนะบางอย่างพูกการเล่าให้ฟังว่าตั้งหกร้อยอ่ะอันไหน